ในขณะนี้ก็ได้ห้าโมงเย็นกับห้าสิบนาทียังไม่ถึง6กโมงห้าโมงเย็นกับห้าสิบนาทีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดได้ทำพิธีการเปิดอบรมวิัสสนากรรมฐาน ที่ทับมิ่งขวนตอนเย็นนี่ต้องพูดธรรมะให้เราได้ฟังแล้วเรานำไปปฏิบัติได้สัดส่วนจริงๆคำว่าเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานและอบรมวิปัสสนาภาวนามันเป็นสองคำคำว่าเปิดนั่นก็เคยพูดให้ฟังแล้วอะเรามาไขของที่ปิดแล้วก็งายของที่ค่อมเดี๋ยวเปิดให้ดู อบรมก็หมายถึงการซีแน่แนวทางให้พวกเราได้ออกไปใช้กับชีวิตของเราจริงๆนั่นเองอบรมถ้าซีไปทางอื่นก็เป็นอันอื่นไปนี่มันไม่ใช่เป็นซีอบรมดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราใกล้ว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริบททั้งสี่ยืนก็ให้มีสติกำหนดรู้เดินก็ให้มีสติกำหนดรู้ นั่งก็ให้มีสติกำหนดรู้นอนก็ให้มีสติกำหนดรู้อันนี้เรียกว่าอิทธิยบุตรทั้งสี่เท่านั้นก็ยังไม่พอท่านสอนให้ให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิทิยาบุตรย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เดี๋ยท่านสอนเพื่อป้องกันข่มหลงนั่นเองข่มหลงเรียกว่าโมหะโมหะเรียกว่าวมหลง อาบ้านเนี่ยว่าหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจเราก็เลยมาสร้างจังหวะกันพลิกมือขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือขึ้นให้รู้สึกตัวเอามือเข้ามาหาสะดือให้รู้สึกตัวมือซ้ายพลิกขึ้นมากว่าเช่นเดียวกันแต่มือขวาเอามาวางไว้ที่สะดือให้มันอยู่สบายสบายที่นั้นพลิกมือซ้ายขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้รู้สึกตัว เอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวาให้รู้สึกตัวคว่รู้สึกตัวเพราะว่ากันลือมกันหลงไวันนี้เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือขวาออกตรงข้างให้รู้สึกตัวลดมือขวาลงตะแคงไว้ขาขวาให้รู้สึกตัวคว่ำมือขวาลงขาขวให้รู้สึกตัวทำซ้าแต่ไม่ต้องทำไวก็เอามือขวาคว่ำไปเลยวันนี้เลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอก ให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายออกตรงข้างให้รู้สึกตัวลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้รู้สึกตัวตะแคงไว้ขัวมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้รู้สึกตัวเพื่อกันลืมนั่นเองเรือมเป็นการปุกตนคือมันนอนหลับทับศิธมานานอันนี้เป็นจังหวะหยัดหยาบเราไม่ได้ดูพิษตาไมได่ดูหายใจคือเราเอาต้นหยาบทีเดียวที่ว่ารู้ธรรมะ ต, ต้องรู้อย่างหยาบ แล้จึงอย่างกลางอย่างละเอียดท่านว่าอย่างไรดังนั้นวันนี้ท่านเปิดให้พวกเราได้เข้าใจเปิดแล้วบางคนไม่เข้าใจคําว่าเปิดสมมุติให้ฝังท่านเปิดทั้งก็อบรมให้เราทําดีนั่นเองแล้วสมมุติคือว่าท่านให้กุญแจลูกกุญแจเรามีตู้เซฟหรือมีตู้เย็นหรือมีอะไรก็ได้ตู้เซฟต้องเป็นที่เก็บเงินเก็บทองคํา เ, ก, เก็บเพชรไม่ใช่เก็บผ้าคีลี้วตูเพชรเน่ยตู้เซฟน่ะผ้าคีร้วเนะาวขาเอาไว้ข้างนอกนเป็นอย่างนั้นพอดีท่านให้กุญแจทั้งหมดเปิดขึ้นอันนี้เป็นทองคํานะอันนี้เป็นเพชรนะทนันซีเข้ามาอันนี้เป็นพลอยนะราคามันผิดกันนะทันซีให้ฟังพอดีทนนันซีฟังแล้วก็อัดอัดตูดเ้เสพเนะ่ยอัดกึกไว้นึกว่าเราขายเป็นเป็นอย่างนั้นแต่บางทีท่านก็เปิดไว้ ผู้ไล่มาลักเอาไปหมดเป็นอย่างไง น, นี่สำหรับตู้เซฟเป็นที่เก็บของราคามีแพงๆบ้านี้ตู้เย็นสําหรับเก็บอาหารที่มันจะเสียเร็วเช่นผลละไม้ถ้าอยู่ข้างนอกเช่นละมุดหรืออะไรอะไรเนี่ยแอปเปิลแอปเปิลอะไรซารีซารีหลวงพ่อไม่ค่อยรู้หรือแค่นี้ต้องคนกรุงเทพยังรู้ดีเอาไว้ข้างนอกมันเสียเร็วเอาไว้ตู้เย็นใช้ได้นานเนื้อปลาก็เส้นเดียวกัน เนื้อสดส ด, สดเนี่ยเดียวกันถ้าเอาไว้ข้างนอกมันเน่าเหลว mm. ก็เอาเข้าในตู้เย็น mm. เพื่อความเย็นกักเอาไว้เพื่อว่าไม่ให้เนื้ อ, น, อนั้นเสียบัด น, นี้ท่านก็ไขตู้เย็นให้อาวไขายอย่างนี้อาหารต้องเอกเก็บไว้อย่างนี้นท่านสอนเราแต่บางคนไม่เข้าใจคาว่าเปิดนี่หมายถึงอะไรไม่เข้าใจเลย บัดนี้พอดีท่านจะไปแล้วก็กให้คนเจอท่าก็อัดไว้เราต้องเปิดเอาเป็นไขเอาเป็นสมมุติเนี่ยคาว่าเปิดก็หมายถึงมาทําให้ดูแล้วก็แล้วไปอบรมบัดนี้ครูบาอาจารย์คนที่มีความรู้สามารถที่จะแนะนําให้เรารู้รเรื่องอบรมอบรมคือที่ทางนั่นเองที่ผลงานในการกระทํานั่นเองคืออย่างที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยวชี้ให้ทําอย่างนี้ทําได้จะเป็นประโยชน์อะไร ทำและต้องเกิดความรู้ขึ้นมาแทนความไม่รู้ทีแรกมีความไม่รู้มากควมรู้มีน้อยแล้วก็มาทำให้มีความรู้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีความรู้มากขึ้นเราก็มีปัญญาปัญญาไม่ใช่เป็นปัญญานึกคิดนะปัญญานึกคิดอีกอย่างหนึ่งเรียวกว่าญาณของปัญญาเรียวกว่าปัญญาญานก็ได้ญาณจึงแปลว่าเข้าไปรู้ เข้าไปรู้ตัวเราคือรู้เรื่องรูปเรื่องนามนี่เองรู้อย่างอื่นไม่ถูกต้องเรื่องนี้หลวงพ่อรู้อย่างนี้แล้วเขานำความจริงมาเราให้ฟังตั้งแต่ต้นทีเดียววันนี้พขาเป็นการเริมแรลกตั้งแต่ต้นแล้ววันต่อไปก็ต้องคอยต่อไปต่อไปเป็นรู้รูปรู้นามนี่เองไม่ได้รู้อื่นไกลรู้รูปตัวเรานี่เนี่ยนามก็คือจิตใจที่มันรู้กําลังเคลื่อนไหวนี่เดียวรูปกับนามมันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ที่ตรงนี้ เมื่อไม่อาศัยซึ่งกันและกันไม่มีปัจจัยซึ่งกันและกันเรียกว่าคนตายเหมือนกับถอนไม้ถอนปืนนี่เองพลิกทีงตีงโตไม่ได้เรียกว่าคนตายเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวเดียวเดเรายังมีลมหายใจต้องรู้อันนี้อันนี้เรียกว่ารูปนามวันนี้ไปทําการทํางานบันนี่ยเรียกว่ารูปทำนามทำทําอะไรก็เป็นรูปทำนามทำทั้งนั้นเรียกว่าธรรมะนะั่นจริงว่าเอาไปใช้กับการกับงานทุกวิธีทีเดียว ถ้าหากไม่รู้จากธรรมะแล้วเอาธรรมะไปใช่ผิดเรียว่ารูปทำนามทำเนี่ยรูปอันนี้มันทําได้เขียนหนังสือกับรูปอันนี้ทําแล้วก็ควกมรู้สึกว่าผิดถูกกับรูปอันนี้อหรือว่าตัวคระมรู้ตัวว่าตัวไม่หลงตนลืมตัวนั่นเองเรียว่าวิญญาณก็ได้วิญญาณเปวารู้แต่เรามาสอนกับวิญญาณตายแล้วต้องร่องรอยไปเกิดกับผู้นั้นไปตกนรกอย่างนั้นไปสนนั้นมันมีมาก่อน มีมาก่อนหน้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ค้นหาเรื่องบิญยาณนี่เองก็เลยเห็นรู้เข้าใจในประเทศอินเดียโพ้นพ้นหรือว่าหลวงพ่เลี้ยพนโ น, น้นมันในทางนี้อาจจะว่าโน้นก็ได้บัด น, นี้เมื่อเป็นเช่นนั้นคนใดมีปัญญาฟังแล้วเอาไปพิจารณาทันทีรู้ทันทีเลยเพราะปัญญาระดับมันไม่เหมือนกันคนใดศึกษาเล่าเรียนมากก็มีปัญญามาก คนได้ศึกษาน้อยก็ปัญญาอ่อนทานไหวยอย่างนั้นเมื่อรู้รูกทำนามทำแล้วก็รู้ลูปโลกนามโรคโรคเจ็บหัวปวดท้องเดี๋ยวรูปเป็นอันนี้เมื่อรูปเป็นเจ็บหัวปวดท้องเป็นบาดเป็นแผลใจก็ไม่สบายอันนี้ว่ารูปโรคนามโรคมันเป็นโรคเนี่ยก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลอันเนี้ย หมอที่โรงพยาบาลจะมาตรวจให้โ อ, นน อ, อโรคอันนี้ต้องกินยาอย่างนี้โรคอันนี้ต้องกินยาอย่างนี้บางทีหมอไม่ดีก็ให้ยาละงับทั่วขาวเรียกว่ายาแก้ปวดแต่ถ้าหมอดีโอ้โรคอันนี้ไม่ได้ต้องถูกผ่าตัดเอาเนื้อลายออกมาโรคยังจะหายหรือเป็นอะไรต่างๆนี่แหละเราจะต้องอาศัยหมออันนี้เป็นเรื่องโรคทางกาย โลกทางจิตใจนะแบบนียนั่งสบายนอนสบายเดี๋ยวก็คิดถึงคนนั้นเดี๋ยวก็คิดถึงคนนี้เดี๋ยวก็เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้อิจฉาตาร้อนขึ้นมาอันนี้ว่าจิตบิญยาณเป็นโลกทำยังไงจึงจะรู้ให้ทำาผมรู้สึกตัวจึงว่าพระพุทธเจ้าถ้าจิงสอนให้มีสติจริงๆสติหมายถึงข่มระลึกได้ไม่ใช่ระลึกาต์ลยศาสตรก่อนนะ ระลึกได้เพราะการเคลื่อนการไหวการนึกการคิดนี่เองจึงว่าสติขม ล, ลึกได้สัมปาชญะขมรู้ตัวเนี่ยรู้สึกตัวในการทําการพูดการคิดท่านจีวะทำที่มีอุ ป, ปรกรณมากสองอย่างมีค้ามากซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ไม่ได้กําหนดว่าราคาเท่านั้นร้อยเท่านี้พันมีค้ามีคุณมากกันสุดอย่างนั้นหนึ่งสติขมลึกได้สองสำปาชญะขมรู้ตัวเท่านี้ก็พอแล้ว เรื่องสติคมระเลิกได้กับสัมปชนะชงะคมรู้ตัวเนี่ยเป็นขามากบัดนี้เราไม่ต้องพูดอย่างนั้นเพราะคนไทยไม่ได้ว่าสติให้รู้สึกตัวเนี่ยหลวพอพูดอย่างนี้ให้รู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวพิษตาก็รู้หายใจก็รู้เนี่ยจิตใจบันนึกคิดก็รู้อันนี้เดียว่าให้มีสติก็ได้หรือว่าให้รู้สึกตัวก็ได้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนให้เรารู้ในอริยบทนี่เองอันนี้ก็เพราะคนไม่เหมือนกันต้องทำพิธีให้ดูทำจังหวะให้ดูพิศมือขึ้นรู้สึกตัวอันนี้คนอื่นมองเห็นพิศตารู้คนอื่นมองเห็นหายใจรู้คนอื่นมองเห็นอันนี้คนอื่นมองเห็นได้แต่จับไม่ถูกคือพิศตาเนี่กะมันทิศตาจับถูกหายใจคนเห็นแตจับไม่ถูกสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาก็มี สัมผัสได้โดยมือก็มีสิ่งที่เห็นไม่ได้โดยตาสัมผัสไม่ได้โดยมือก็มีเป็นอย่างไรสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาคือจิตใจมันนึกมันคิดหรือลมหายใจเข้าใจออกนี้มองไม่เห็นจะรู้ตัวสัมผัสไม่ได้โดยมือหายใจเข้าหายใจออกก็สัมผัสไม่ได้โดยมือจิตใจมันนึกมันคิดก็สัมผัสไม่ได้โดยมือแต่เรื่องหายใจในคนอื่นมองจิตใจมันนึกมันคิดคนอื่นมองเห็นไม่ได้ แต่ตัวเองก็ไม่ค่อยรู้เนี่ยเียว่าเห็นเป็นขั้นเป็นตอนแต่เรียกว่าเห็นอันนี้เข้าใจอันนี้เรียกว่าลูกโลกนามโลกจึงมีสองอย่างด้วยกันเมื่อรู้อันนี้แล้วก็รู้จักสมมุติขึ้นมาจริงๆแต่เราให้รู้จักจริงๆเรื่องสมมุติไม่ใช่สมมุติพูดฟังหลวงพ่อแล้วจําได้เอาไปพูดกันดีอนันนั้กดีแต่ตัวเองอาจจะไม่รู้ก็ได้เป็นอย่างนี้สิ่งที่สมมุติขึ้นมาเราต้องรู้ ผีเทวดานรกสวรรค์เราต้องรู้สิ่งนั้นมันเป็นสมมุติแต่สมมุติบัญญัติเนี่ยมันเป็นสมมุติขึ้นมาแต่บัญญัติเอาไว้เรียกว่าสมมุติบัญญัติปัมัติบัญญัติเยปรมัติเป็นของจริงจริงโดยสมมุติก็มีจริงโดยปรมัติก็มีคําว่าปรมัติก็หมายถึงบุคคลผู้ที่มีปัญญาเรียกว่าปัญญาตาใจปัญญาตาใจเห็นเรียกเป็นปัลมัติก็ยังทูกสมมุติเหมือนกัน วันนี้สมมุติอย่างไฟสายเนี่ยสมมุติแล้วก็ บ, บญญัติขึ้นมาว่าไฟสายให้ซื้อเป็นไว้เป็นอย่างนั้นเยเป็นปรมัิบัญญัติอัตทะแป่าลึกยากบุคคลที่จะเข้าใจเรื่องควมเป็นคนเนี่ย <c oughs> เรื่องอย่างนี้ <c oughs> น, นจึงศึกษาไปตั้งขั้นต้นวันนี้ต้องเริมต้นเพราะท่านผู้ว่าเลือกรองผู้ว่ามาเปิดให้แล้วก็ต้องพูดกลมจริงให้กันฟัง เมื่อรู้อัฏฐะบัญญัติก็ต้องรู้อริ ย, ยบัญญัติอริยะบุคคลก็ต้องรู้ทีวสมมุติบัญญัติปรามาัดบัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยะบัญญั ต, ติเป็นขั้นเป็นตอนไปเมื่อรู้อย่างนี้ก็รู้ศาสนาศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นำเรื่องนั้นมาสอนเติสอนให้ละชั่วทํำดีนั้นเรียกว่าศาสนาพุทธศาสนากับศาสนาจริงไม่เหมือนกันศาสนาเป็นเพียงสมมุติขึ้นมา พุทธศาสนาพุทธะเปรียู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานด้วยธรรม mm hmm. เมื่อพุทธะเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องอยู่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมนั่งด้วยธรรมนอนด้วยธรรมไปไหนมาไหนไปกับธรรมะนี mm hmm. ่ว่าลูกธรรมนามธรรมเนี่ยท่านสอนอาไว้อย่างนั้นแต่เราไม่รู้เราก็อยู่ไปกันธรรมดานั่นเอง mm hmm. เมื่อรู้อันนี้พุทธศาสนาดีแล้วก็ต้องรู้บาบันบ า, บาคือโง่นั่นเอง คือไม่รู้ตัวเองนั่นแหละพูกใกล้ๆ ก, กัเนเลยเราไม่รู้สึกตัวนั่นเองเดียวคนมีบาปอันบาปอย่างอื่นๆเอาไว้ก่อนหลวงพ่อพูดสั้นๆจัดใจความสั้นๆคือไม่รู้สึกตัวในการทําการพูดการคิดเราเป็นคนบาปหนาสาหดูดบ้านหลวงพ่อเรียกบาปหนาสาหดูดเนี่ยเป็นคนมีบาปแล้วเพราะมันมืดตือ้ออยู่ภายในใจิตใจจิตใจบรรหนักจิตใจบันมืดจิตใจบรรบอด นียว่าคนบาปบุญบบเนี้บุญคือตาเห็นสว่างเดินกลางวันไปแล้วไม่ลงหูลงคองไม่สนหลักส่วนตอ่อคนเดินกลางวันเนี่ยบางคนก็ยังส่วนหลักส่วนต่อก็ไม่นะแสดงว่าไม่มีสติแสดงว่าไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันคําเดียวกันบัด น, นี้คนเดินกลางวันไปนะเรามองเห็นถนนจะไปทางนั้นรถจะไปทางนี้หรือคนเดินมาทางนั้นเราก็เห็น จะมาสวนทางแล้วก็เห็นหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังบ่อยครั้งว่าเราไปถนนเรายืนอยู่กลางบนถนนมีคนหนึ่งวิ่งมาบัณฑ์เรียกว่าแลนบัณหลวงพ่อนะวิ่งมาเราจะยืนต่างมือหรือว่ามือไว้กลางถนนไม่ได้คนนั้นวิ่งมาก็มาชนเราเรียกว่าตาบัณหลวงพ่อเรียกว่าตามตามเราต้องฟงหนีหรือเราล้มเราจะสู้คนที่วิ่งนั้นไม่ได้เนี่ยรู้จักอย่างนั้นต้อง เอยงตัวออกมาให้ถนนวอางว่างให้เขาไปเขาจะวิ่งไปที่ไหนกนแล้ว เ, เขาเนี่ยนว่าเราต้องรู้จักการรับการต้นนี่ให้รู้จักเรื่องของคนเนี่ยเรื่องของคนดังนั้นเกิดกับคนแบบนี้จบภาคต้นแล้วนะเนี่ยจบทอนิภาคต้นดังนั้นคนเกิดกับคนมันต้องเป็นคนเพราะพ่ อ, พอแม่เป็นคนหรือบิดามารดาเป็นคนมันก็ต้องเป็นคนที่แทงขาหน้าตามือเท้าก็ต้องเป็นคนที่ เกิดกับสัตว์บันเนี่ยแขงขาหน้าตามือเท้าก็เป็นสัตว์ที่เกิดกับต้นไม้บันเนี่ยมันก็เป็นต้นไม้ที่มันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรู้จักตีบัตเนี้เราเป็นคนจริงไหมหรื อ, อยังไม่ใช่คนเนี่ยเราต้องรู้จักเคยถามมาหลายอาจารย์แล้วแล้วก็เคยถามผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมากก็ถามนะคําว่าคนเนี่ยใครให้ซื้อเสียงเลียงนา ม, มาถามอย่างนี้แต่กับบางคนก็ตอบโอ้เขาเว้ากันอย่างนี้มา หลายพันปีแล้วคนนั้นเละก็หลายพันปีสําหรับบุคคลผู้ที่มีปัญญาจึงจะให้ซื้อว่าคนได้คันถ้าหากยังไม่มีปัญญาแก้ปัญหาการขัดแยง้งภายในใจิตใจหรือว่ายังแก้ปัญหาข้อข้องแวะไม่ได้ก็อันนั้นก็แสดงว่ายังไม่มีปัญญายังไม่รู้จักว่าคนถ้ า, าคนจริงๆแล้วต้องรู้จักโอ มันมีของหลายอย่างที่อยู่ด้วยกันต้องต้องเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเรามาปฏิบัติกับชีวิตเราจริงว่ารู้จะว่าวูมเป็นคนมันเรื่องของคนมันเนี่ยเรื่องของคนเนี่ยมันต้องสับสนวุ่นวายทำนาทำสวนบางคนก็ทำไปทุกอย่างแหลวเรื่องของคนมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรู้โอคนนั้นทำไปอย่างนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราก็รู้จกากเรื่องของคนเขามาพูดเราอ่ะคุณไม่ดี อ้าก็เรื่องของเขาพวกนี้เราดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปวิตกกังวลทําไมคุณดีนี่ยแม้ เ, เราทําชั่วอยู่แล้วเนี่ยน่าจะไปวั น, วนไหวอะไรกันเราจะไปดีได้ยังไงเราทําชั่วอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของคนมันเป็นอย่างนั้นจรงให้รู้จักจริงๆ mm. เมื่อเรารู้จักเรื่องของคนแล้วหน้าที่ของคนแบบนี้หน้าที่เราปฏิบัติอย่างไรต้องรู้ถ้าหากเราไม่รู้จักหน้าที่ของเราแล้วก็แสดงว่าเราปฏิบัติผิด สมมุติเป็นพยา บ, บานนะเขาให้เป็นพยา บ, บ้าลแต่ไม่รู้จักหน้าที่ของพยบบาบาลจะไปเป็นผู้ปกครองได้ไหมมันก็ผิดดีเป็นกำนันก็เช่นเดียวกันเนี่ยเขาต้องให้รู้จักเขาเลื่อนซื้อขึ้นให้ไปเพราะเรารู้จักหน้าที่นั่นเองอเป็นพ่อคนแม่คนก็เช่นเดียวกันเป็นครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเราต้อง ร, รู้จักหน้าที่ของเร า, าเป็นพ่อคนควรปกครองเขาอย่างไรลูกของเรา ควรว่ายัางไรบ้างภัรยาของเราควรว่ายัางไรบ้างสามีของเราควรว่ายัางไรบ้างลูกของเราควรจะแนะนำยังไงเราต้องรู้จักบทบาทอันนี้เลยว่าหน้าที่ของคนมันเป็นคนเนี่ยบั น, นี้ครูบาอาจารย์จะพูดกับลูกศิษย์ลูกหาจะว่ายัางไงท่านก็พย า, ยาแนะนาว่ากล่าวตักเตือนให้รู้จักเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสอนคนโง่ให้สลาดขึ้นมาสอนคนกาลังทาผิดให้เขากลับ ขึนมาทําให้ถูกต้องสอนคนกําลังมีทุกข์ให้เขารู้จักและให้เขาปล่อยวางไปค่วมทุกข์จะลดน้อยไปสามข้อเนี่ยต้องตั้งใจฟังแล้วนําไปใช้กับชีวิตของเราจริงๆวันนี้ที่หลวงพ่อมาให้ข้อคิด เ, เรื่องของคนหน้าที่ของคนและควมเป็นคนต้องศึกษาให้รู้บัดนี้ก็ก่อนที่จะรู้เพราะเรื่องอะไรเพราะมาทําความรู้สึกตัวนี้เอง ความรู้สึกตัวนั้นจึงมีค้ามีคุณมากเอาเงินซื้อไม่ได้ให้คนอื่นรู้แทนเราไม่ได้ส้มหลวงพ่อกรรมอย่างนี้คนอื่นมองเห็นว่าความรู้สึกหลวงพ่อเป็นอย่างไรรู้ไหมไม่รู้เลยแต่คนอื่นมองเห็นว่าหลวงพ่อกรรมมือแต่ความรู้สึกมือหลวงพ่อสัมผัสกันเขานี่คนอื่นไม่รู้ด้วยคนอื่นทำหลวงพ่อกรรมเห็นแต่หลวงพ่อรู้น่ะไม่ได้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอค า, าตโลตถาคตาท อันนี้ก็ต้องเอาภาษาบาลีมาพูดให้ฟังเลยพระตถาคตนั้นเป็นแตเพียงพูดแน่แนวเท่านั้นเองการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอ เ, เป็นหน้าที่ของเราทำดังนั้นนักปฏิบัติทุกท่านจะเป็นพระสงฆ์องค์เลนก็เช่นเดียวกันเป็นญาติเป็นโ ย, ยมเป็นแม่ขาวแม่สีก็เช่นเดียวกันต้องตั้งใจทำตั้งใจพูดระยะเวลาสิบวันนี้ต้องให้มันได้ประโยชน์จากการมา อันนี้ก็เลยมาพูดให้ฟังตอนที่หลวงพ่อพูดมาบ่อยครั้งจําเป็นต้องเอามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้เราสํานึกได้ว่าพุทธศาสนาล่วงไปได้ห้าพันปีจะมีเทวดามาบันโดลดวงทิศดวงจันทร์มืดตึ๊บมองไปหน้าไม่เห็นมองไปหลังไม่เห็นมองไปข้างซ้ายข้างขางวาไม่เห็นเจ็ดวันเจ็ดคืนต้องอดข้าวอดน้ําหิวอาหาร เพราะไม่ได้กินได้ไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะมันมืดนี่นี่มันจะทูกพวกเราแล้วเดี๋ยวนี้พวกทําไมทําบุญก็อ๋อล่าวบากิดกันเนี่เนี่ยมันทําผิดไปขนาดนั้นแล้วเดียเ๋ยวนี้ทําบุญแท้ๆนี่นะหลวงพ่อเองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้อันนั้นแหละมันมืดภายในใ จ, ใจิตใจไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกเลยอันนี้น่ะฆ่าวัวฆ่าควายเล่นการพ น, นันไปเอาต้นลวดมารักษาความปลอดภัยความสงบแสดงว่าเราทําผิดแต่เราไม่รู้ อันนี้มันมืดใจอันนี้พอดีเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็จะมีเทวดาองค์หนึ่งจะบันดลให้มีความสว่างเกิดขึ้นในโลกอันนี้บัด น, นี้เทวดานั่นก็คือดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้านไปอยู่กับพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่เรามาตั้งไว้ที่นี้เป็นพระ อ, อิดพระปูนก็ตามอิฐเหดินปูนก็ตามหรือเป็นพระไมมผ้าท อ, องก็ตามเป็นพระแก้วก็ตาม จะมีดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าไปเกาะ อ, อยู่หรือไปติดอยู่ที่จะว่าอย่างไรก็ได้กับพระพุทธรูปองค์นึงเท่ากับเบ็ดงาเ น, นี่เองตลอดถึงพระธาตุเดยดีอยู่ที่ไหนก็จะมีเท่ากับเบ็ดงา น, นี่เองเมื่อเป็นชนั้นก็ได้เจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วกับพระพุทธรูปอิฐหินดินปูนเหล่านั้นนุธาตเหล่านั้นจะเหาะมารวมกันในประเทศอินเดียวยันนั้น พอดีไปถึงที่นั้นแล้วอิฐหินดินปูนนั้นจะแตกออกไปเลยไฟทาดไม้เดี๋ยวไฟเมลายยกันไหมก็ได้หรือจะว่าไฟทาดไหมก็ได้อิฐหินดินปูนที่เป็นโลหะที่เป็นนั่นก็พูกไฟไหมไปหมดเลยและดวงจิตวิญญาณนั้นเน่ยจะค่อยหลวมตัวกันเข้าเป็นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นพอเม่เราให้ความมันจําได้ตัวเองอยากขอพระพุทธเจ้าขอให้ ข้าพระเจ้าได้แตเกิดที่นาทุกสามันจะอดทนเอาได้ฟังธรรมมาจากพระพุทธเจ้าเราจะได้แก้ปัญหาตัวเองเนี่ยเข้าใจยังพระพุทธเจ้าก็เลยมาแสดงธรรมให้ฟังเป็นรูปเจ้าสายสิท ธ, ธาุมานเป็นรูปสมณะโคดมนะเป็นรูปพระพุทธเจ้าจริงๆนี้ทั น, ทนว่ายอย่างนั้นมาแสดงธรรมเจ็ดวันเจ็ดคืนเปิดโลกแล้วบนนค้โคมืดหายไปคนที่มีปัญญามากได้เป็นพระละหันในยุคนั้นอาจารย์ คนที่มีปัญญาน้อยลงมาได้เป็นพระอนาคามีคนที่มีปัญญาต่าลงมาเป็นพระสักกิตาคา oh. คนที่มีปัญญาต่าลงมาเป็นพระโสดาบันบุคคลในธนวัฒนต์ mm hmm. ตัวเองก็นึกว่าต้องไปเกิดเทนนต์เอาจําเป็นทําบุญให้ฐานรักษาศีลถ้าหากไม่รู้ทำจริงขอให้ข้าพระเจ้าได้ไปเกิดลูกนั้นพกกตามอเอาให้ได้พกกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเราจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องนึกในใจอยู่ หลวงพ่อนึกจริงๆเรื่องนี้เพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราให้ฟังครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนั้นเพราะกลัวไม่รู้นี่เองอันพระพุทธรูปอิฐธิเดินปุณหะไม่ได้จริงๆรับรองจริงๆพระธาตุเหล่านั้นหอกไม่ได้จริงๆรับรองจริงๆพวกเราอยู่ที่นี่มาจากจังหวัดสุพรรณก็มีมุกุนลนิพนธ์มาจากสุพรรณเ น, นียะสุพรรณ น, นั่ น, นเรื่องใหญ่ลืมไปแล้วสุพรรณเนี่ย แล้วมาจากที่ไหนก็มีมาจากพิศนุโลกก็มีใช่ไหมคุนอยู่พิศนุโลกใชยไหมพิศนุโลกนี่มีมีหลายจังหวัดมาจากกรุงเทพก็มีมาจากที่ไหนหลวงพอกระจับไม่ได้เนี่ยหลายคนไม่ได้เหาะเลยขึ้นรถไฟมาเนี่ยขึ้นรถยนต์มาเนี่ยเราไม่ได้เหาะมาขี่รถมาบางคนถ้าหากว่ามีเงินมาก หรือต้องการคมเลวสมมุติว่าท่านจะเปิดวันที่สิบห้าวันที่สิบห้ายังอยู่กรุงเทพเมันจําเป็นมาก็ต้องวันที่สิบหกจึงถึงไปเครื่องบินเถอะนั่งเครื่องบินมาสองโมงเช้าออกจากนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องสามโมงถึงที่นี่นี่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองบัดนี้จะถามกันอีกมตื่นพักหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจคนเกิดมามันต้องคานล้วจะคานมาที่นี่ไม่ถึงไม่ถึงจริงๆสมมุติอยู่กรุงเทพนะ ตายเนาเขาลงไม่ถึงจริงๆเนี่ยเดินมาก็ไม่ถึงวันเดียวอะ่ะเป็นอย่างนั้นขี่ม้ามาก็ไม่ถึงวันเดียวขี่ล้อขี่เกณฑยมาก็ไม่ถึงนางรถมารถต้องแปดชั่วโมงรถไฟไม่มีรถไฟต้องมาลงที่ขอนแก่นหรืออุดรต่อรถมารถประจำทางเขามีอย่างนั้นถ้าเรารู้จักต้นทางเนี่ยขึ้นรถมาจากขนส่งมอยสิทมาลงจังหวัดเลยทีเดียวก็ไดไ้เป็นอย่างนี้นแบบ น, นี้ ถ้าเรามาลงจังหวัดเลยก็ไม่ได้ต้องต่อรถแล้วเ อ, อไม่ได้ละมาทีเดียวลงจังหวัดเลยบันนี้คนขึ้นเครื่องบินมาจากกรุงเทพมาพิษณุโลกแต่ก่อนถ้ามากรุงเทพก็ต้องมาที่ขอนแกน่นมาลงที่ขอนแก่นกับต่อเครื่องบินเล็กเข้ามาที่เมืองเลยเดืยวนี้ตัดสายบินการนี้ต้องไปพิษณุโลกจากกรุงเทพพิษณุโลกสาสิบห้านาทีอย่างนานก็ไม่เกินสี่สิบนาทีเนี่ยบันนี้จาก พิษณุโลกมาจังวัเลยสามสิบห้านาทีสี่สิบนาทีเป็นโซ่โมงกัวเท่านั้นเองอันนี้แปลว่าขึ้นเครือบินมาเรามาทางลัดอันนี้การเปิดอบรมแล้วเนะ่ะหลัดเข้าให้ตรงเป็นทางลัดตรงทีเดียวไม่พลาดเลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ดีแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตเนี่ยคืออะไรเราต้องรู้จักนะสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนอะไรรู้จักนะ นี่ความเป็นคนเรื่องของคนหน้าที่ของคนต้องรู้จักแล้วสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นเพราะเรื่องอะไรเราต้องเข้าใจศึกษาและปฏิบัติให้รู้ให้เกิดญาณปัญญารู้จริงๆรับรองว่ารู้จริงๆไม่พลาดอันนี้เป็นทางรัดแต่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งอันที่เราทํามาแล้วไม่ต้องทิ้งเอาไว้ก่อนมันเป็นข้าวเปลือกกินไม่ได้ทิ้งข้าวเปลือกไม่ได้ ปีหน้าไม่มีเข้าพันธ์ท่านว่าอย่างนั้นบัดนี้ข้อสุดท้ายข้อที่สี่ในท่านว่าสัตทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้เนี่ยท่านเป็นคํามั่นสัญญาเป็นคําประกันเป็นคํารับรองของพระพุทธเจ้า แต่เรามาเข้าใจผิดกันอีกอย่างเนื้อหมดยุคหมดสมัยเนี่ยอันนี้แหละเป็นการเข้าใจผิดกันจริงๆพวกเราเพราะเราไม่รู้นี่เองเพราะเราขาดความรู้สึกตัวนี่เองมันจะหมดยุคหมดสมัยทำใหมเพราะพระพุทธเจ้าท่านตัดดีแล้วว่าหากพระธรรมวินัยเรามีอยู่มีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยนั้นมีอยู่มรรคผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เนี่ยท่านวายัน คือโลกเหล่านี้เองไม่ใช่โลกถนนคนทางโลกดินฟ้าอากาศอันนี้ก็เป็นโลกเหมือนกันโลกคือหมูสัตว์ที่อาศัยโลกคือดินฟ้าอากาศและทุกคนต้องอาศัยดินฟ้าอากาศอันนี้โลกคือหมูสัตว์ที่อาศัยแต่ความจริงแล้วพระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้คือจะไม่ว่างจากโลกนี้ก็ได้คือไม่ว่างจากตัวเราก็ได้เนะ่ยมรคนี่ผ่านานะนแล้วท่านตัดอีกว่าภิกษุภิกษุนีอุบาสกมัสสิกาทั้งหลายดูด้วยชอบกัน พระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้อยู่โดยชอบกับอยู่้วยความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจนี่เองอันนี้อยู่โดยชอบอดูโดยไม่คุกคีกันบัดนี้พวกเรามาที่นี่ต้องเงีบเงียบไม่คุกคีกันเลย <c oughs> ต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นให้เรารู้ให้เราเข้าใจถ้าเราอยู่โดยชอบพระอรหันต์ก็จะรู้ คือไม่ต้องไปเป็นพระอรหันต์นอกตัวต้องเป็นพระอรหันต์ในตัวเราจิตใจมันนึกมันคิดมองไม่เห็นโอ้ใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจนี่โอ้พอพอกันนะใจมันเข้าใจที่อาตมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตีอจิตสะกิดใจมาในวันนี้ก็เห็นว่าสมวควรเกินเวลาแล้ว ท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์แล masses, like ะญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หาสถานที yep. ่นี yup. ้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำทั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระนันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสักจิตใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญลอยตามพระพุทธเจ้าวสัดทั้งหลายคือเราตถาคตัทั้งหลายเหมือนเราตถาคตทั้งหลายเป็นตถาคตให้เราได้เจริญรอยตามอย่างนี้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 หลวงพ่อก็จะมาแนะแนววิธีปฏิบัติให้พวกเราเรียกว่าอบรมการอบรมธรรมะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนธรรมะมันเป็นซื่อของคํำพูดเนื้ออบรมชีวิตก็ว่าได้อบรมจิตใจก็ว่าได้อบรมธรรมะก็ว่าได้เพราะมันเป็นเรื่องที่สมมุติพูดขึ้นให้พวกเราได้เข้าใจคําว่าธรมธรมะธรรมะ พวกคนว่าได้แต่ว่าธรรมนันม้นมันมีเปลือกก็มีมีกระพี่ก็มีมีแก่นมีแก น, ม, แกนมีเนื้อแท้ก็มีเนี่ยมันประปรุนกันอยู่่ังนั้นดังนั้นให้พวกเราได้เข้าใจเอาไปประพฤติปฏิบัติกับชีวิตของเราจริงๆระยะเวลาที่เรามาอบรมธรรมะภายในสิบวันนี้ให้ได้มีประโยชน์ไปทุกคน ติดเนื้อติดตัวไปดังนั้นที่เปิดอบรมวิปัสนาภาวนานี้คือต้องการให้คนทุกคนได้ฟังและได้เอาไปปฏิบัติเรื่องชีวิตของเราซื้อไม่ได้ขายไม่ได้คนจะมีเงินหลายลายจากพันล้านก็ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้พ่อแม่จะทำให้ลูกก็ไม่ได้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 หรือจิตใจของเราจริงๆน่ะมันไม่เคยรู้ว่าทุกสุขมันไม่เคยรู้อันเทศมันวัดทุกสุขนั่นคือเราหลงเรียกว่าโมหะเมื่อหลงแล้วก็โสะโลภเกิดขึ้นมาทุกบ้างสุขบ้างอันนี้ให้เราศึกษาไปดิบไปที่ตรงนี้ทุกคนศึกษาได้ก่อนที่จะรู้เรื่องนี้ เราต้องทำควมเคลื่อนไหวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่ง น, นอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้อันนี้เป็นการศึกษารับจะรับศีลก็ได้ไม่รับศีลก็ได้ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเ็ดจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ ทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะศีลมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเมื่อเรารู้เราเป็นปกติแล้วก็แสดงว่าเรามีศีนเมื่อเรายังไม่รู้ยังไม่มีปกติในตัวเราก็แสดงว่าเรายังไม่มีศีนอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี้ดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สิบหกเราต้องลงมือทำกันจริงๆวันนี้เป็นวันที่สิบห้าได้แนแ น, แ น, แนวเวันนี้เป็นวันที่สิบหก ตอนเช้าเนี่ยเราต้องทำกันเมื่อทำวัดเสร็จแล้วก็หลวงพ่กัะมาแนลแมวให้ส่วนวิธีการติดกมือขึ้นคัว้วมือลงยกมือไปเอามือมานั้นทุกคนรู้แล้วก้เมเงยเอียงไสเอียงขวัวกลับไปกลับมาทุกคนรู้แล้วบัดนี้เราต้องมาพูดกันเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสาคัญมันคิดให้รู้ รู้แล้วมาทําความรูู้้สึกตัวเมื่อเราไม่ทําความรู้สึกตัวมันจะเข้าไปในความคิดเมื่อมันคิดขึ้นมาเรามาทำความรู้สึกตัวเนี่ยทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนี่โลดทําให้แจ้งท่านสอนเอาไว้มักต้องเจริญก็ต้องทํำบ่อยๆที่พวกต้องกําหนดรู้คือตัวเคลื่อนตัวหวเนี่ยเป็นเป็นทุกหรือว่าทุกขังอนังอนนี้อย่างอนาตา ตัวนี้ก็เป็นทุกเปลือกมันตัวนี้เราจับถูกด้วยมือมองเห็นด้วยตาตัวพิษตาก็เป็นตัวทุกตัวหายใจก็เป็นตัวทุกสิ่งนี่มองเห็นด้วยตาตัวนึกตัวคิดก็เป็นตัวทุกเหล่าทุกขังอนิจจังอนัตตาตัวนั้นต้องไปพัฒนาตัวนั้นแต่เมื่อเราจะไปพัฒนาตัวนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้จําเป็นต้องเอาตัวเคลื่อนตัวไหวที่เราทําได้นี้พอดีมันคิดปุ๊บ ดีใจก็ตามเสียใจก็ตามทำความรู้สึกตัวเมื่อเราทำความรู้สึกตัวแล้วผมคิดมันถูกหยุดทันทีแต่ทีแรกเรายังไม่เคยมันก็ต้องมันคิดไปก่อนลากไปเหมือนแมวกับหนูนี่เองหนูตัวโตมีกําลังแมวตัวเล็กเรียกว่าเราความรู้สึกตัวเรามันน้อยเป็นอย่าง น, นัเมื่อหนูออกมาแมวมันไม่เคยกลัวนี่มันก็จับจับหนูหนูก็ตื้นไป แลนไปวิ่งไปแมวก็ติดหนูไปนี่านันานๆมาแมวมันเหนื่อยกบบวางมันความคิดกับมันคิดไปร้อยอันพันยามมาค่อยเสาร์ผู้เดียวมันอันนั้นเป็นอย่างนั้นบัดนี้พอดีเราให้อาหารแมวเดี๋ยวอาหารถ้าามาพูดตามภาษาภาคปฏิบัติเราทำขมรู้สึกตัวมันเรียกเป็นอาหารเป็นอาหารสติหรือเป็นอาหารแมว เนื้าทำความรู้สึกตัวแล้วแต่จะพูดเรื่องภานีนมันเรื่องสมมติเอาปรามัดนั่นแหละมาทุกสมมติพูดให้ฟังเหตุสมมติบัญญตัติปรามัดกับบัญญัติขึ้นมาจะยืมสมมุติไปพูดอันนี้เป็นปรามัติให้เราทําความรู้สึกตัวมากๆพอดีมันคิดปุ๊บความรู้สึกตัวมันจะไม่ไปความคิดก็หยุดทันทีเนี่ยทุกต้องกําหนดตัวนี้สมุทัยตัวนั้นเป็นตัวละ มันละเองมันไม่ต้อง่ดึงมันมาหรือปล่อยมันไปหรือไม่ต้องพูดถึงเป็นวิธีลรัดถ้าหากว่ามันมาแรงเราก็ต้องกำแรงๆกำแรงแรงกำมือแรงๆเมื่อจะทำวิธีไหนก็ตามแหะทำให้มันแรงเมื่อคว่ำแรงดันเข้ามาพอๆแล้วมันหยุดเองมันอันนี้ทุกต้องกำหนดรู้สมุดไทยต้องละมักต้องเจริญคำว่าวิปัสสนาภาวานากับไปว่าเจริญ ทำบ่อยๆทำมากๆเมื่อมันคลิกขึ้นมาปุ๊บมันจะรู้ทันทีเหมือนกับที่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังบ่อยว่ามีเก้าอี้ใบเดียวบันนี้เราก็มีสองคนคนหนึ่งเข้าไปมีแรงดันไว้คนไปที่หลังก็เข้าไปนั่งไม่ได้เป็นยางไงบันนี้ คนไปที่หลังนั่งไม่ได้สักทีแต่ก่อนนั้นเรามีแต่ควมไม่รู้ไปอยู่ควมรู้นั้นไม่มีแบบนี้เราพยายามฝึกหัดควมรู้นี่เข้าไปมากๆแล้วควมไม่รู้นั่นก็ลดน้อยไปลดน้อยไปพอดีมันคิดปุ๊บทันปับ๊บคิดปุ๊บทันปับ๊บมันไปไม่ได้มันจะทําให้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงที่ตรงนี้แหละควมเป็นพระอริยบุคคลจากดขึ้นที่ตรงนี้หรือเราจะได้ต้นทางที่ตรงนี้ ได้กระแสพระนิพพานที่ตรงนี้ได้ที่ตรงนี้จริงๆใครจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของคนนั้นเป็นเรื่องของคนนี้ <c oughs> เมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเราต้องกล้าพูดกล้าทํากล้าพูดกล้าคุยอันนี้เ่าคนมีดีแล้วเอามาเล่าให้พวกเราฟังคนที่อวดดีนั้นจับต้นส้นปลายไม่ได้จับโน้นใส่นี้จับนีน้ใส่โนนอันนั้นนเป็นเรื่องของคนเรื่องของคนแต่มันมีมากเอยูเรื่องของคน และหน้าที่ของคนเนี่ยต้องรู้จักอย่างนั้นเพอดีปฏิบัติที่ตรงนี้เนี่ยสมมุติเอา <c oughs> เราก็เดินทางไปล้วยจิตว่าอย่างไรก็ได้เละเห็น <c oughs> รู้เข้าใจสัมผัสแนบแนบอยู่กับสิ่งเหล่านั้นวัตถุทั้งผัวงเดียวเห็น <c oughs> วัตถุเห็น <c oughs> ปรมัติเห็นอาการตายเห็นไหมไ ม, ไม่ใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจ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 เห็นปรมัตดเห็นอาการแล้วทุกคนคงจะได้ฟังมาบ่อยครั้งเรื่องนี้วัตถุกระหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ซื้อมันน่ะแล้วมันสมมุติขึ้นอ่ะที่มันมีในโลกเนี่ยที่มันมีในตัวเราเนี่ยเรียกว่าวัตถุปรมัตดแป็นของจริงที่มีในโลกนีเองตามองเห็นก็เป็นปรามัดจิตใจมันนึกมันคิดก็เป็นปรามัดปรมัดแป็นของจริงเปลี่ยนแปลงแปรพันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่เราเป็นปรามัด อาการสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้คือเกิดแล้วก็แก่ ต, ตายเราเข้าลงเราเห็นต้นไม้ก็ตายเป็นคนก็ตายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้นี่แหละเปลี่ยนแปลงไป mm. เมื่อเห็นสภาพอาการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็เห็นคนใดมีโทสามารถก็จะเห็นโทสะชัดเจนขึ้นมาคนใดมีโมหะมากก็จะเห็นโมหะชัดเจนขึ้นมา คนใดมีโลภามากก็จะเห็นโลภะชัดเจนขึ้นมาคนใดมีอันไรมากจะเห็นอันนั้นก่อนคือความหนักความผักดันหรือความดึงจะพูดยังไงก็ได้เนี่ยเราจะได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นเมื่อ ร, รู้เห็นสิ่งนั้นแล้วสมมติอน้ำหนักของเราร้อยกิโลความหนักนั้นแหละจะลดน้อยไปความหนักจะหลุดไป ว่าอย่างนั้นก็ได้อย่างน้อยที่สุดหลวงพ่อเคยถามมาแล้วขุวมหนักร้อยกิโลนะ่ะหลุดไปแล้วสามสิบกิโลสี่สิบกิโลห้าสิบกิโลโดยมากอยากพูดถึงห้าสิบกิโลนี่แหละเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเดินเดินกลับไปกลับมาหลวงพ่อพูดเนี่ยน้ําหนักของหลวงพ่อร้อยกิโลหลุดไปเลยแปดสิบกิโลเออไปแล้วแบบ น, นี้หลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้น ความเป็นพระเนี่ยเกิดขึ้นที่ตนอ้อเราเป็นพระได้แล้วหลวงพ่อนู่งกางเกงกลางเกงขาสั้นกลางเกงขายาวผมก็ยาวเออเป็นพระได้แล้วทําไมจึงรู้ได้เพราะความรู้ความเข้าใจความเห็นแจ้งได้ย่งังเมื่อรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้ความเป็นพระเกิดขึ้นภายในใจิตใจพระประเทศนี่เดี๋ยเป็นปรมัตา์เป็นอัถฐเนีย่ย เป็นปรมัตยบัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยบัญญัติควรมเป็นอริยบุคคลก็มีในคนทุกคนดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตแต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นแต่ควรมเป็นพระนั้นมีแล้วในคนทุกคนธรรมะจึง ท, ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพทุทธเจ้าดนี่ย mm hmm. มีมาก่อนพระพุทธเจ้า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 เป็นของผู้หญิงเป็นของผู้ใสยเป็นของบุคคลผู้ที่รู้เอาไปใส้กับชีวิตตัวเองได้อันนี้แหละเมื่อเห็นเข้าใจสัมผัสสิ่งนี้แนบแน่นดีแล้วเวทนาก็ไม่ทุกสัญญาก็ไม่ทุกสังขารก็ไม่ทุกวิญญาณก็ไม่ทุกอันติดทุกรูปอันเนี้ยมันไม่รู้อันนั้นมันทุกมากดังนั้นควรมเป็นพระจรึงว่ามีแล้วไหนคนทุกคนเมื่อเห็นรู้เข้าใจอันนี้เรียกว่า ได้ต้นทางได้กระแสพระเนปานเห็นพระพุทธเจ้าน้น้อยเป็นทางไปเลยไม่ใช่ทางมองเห็นด้วยตาใจมันเป็นเองใจมันเห็นใจมันรู้ทางเส้นนี้ว่าทางนี้เป็นทางเอกทางที่รัดตรงที่สุดที่นำมาเล่าให้ฟังในขณะนี้ก็ เ, เพราะว่าทุกคนทำได้ไม่ใช่จะยกเว้นแต่ว่าสำคัญจะจะเป็นคนจริงหรือคนไม่จริง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 แล้วคนกับทุกข์ก็ไม่มีเพราะว่ารูปนี้มันไม่รู้จักมันตายเน่าเข้าลรงไปแล้วก็ไม่รู้เลยส่วนเวทนาสัญญาสังขารอย่าเขาหยดนามรูปอันนี้มันเป็นรูปแล้วก็พรมรูปเป็นนามอันนั้นมันเป็นนามแต่มันเป็นรูปผมคิดขึ้นมามันก็รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักเหตุรู้จักผลอันนี้เป็นการเริ่มต้นทำให้บุคคลผู้ที่รู้เป็นพระได้ ดังนั้นที่เราสวดปริตะมงคลกันอยู่บ่อยๆว่าพุทธโสโลกะธรรมเมหิจิตตังยัตนะกรรมปติอโสกังวิรัสังเถมังเราสวดกันจะถือว่าเป็นของขังศักศดิ์สิทธิ์อันนั้นไม่ไมขังไม่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นปริตะมงคลมันเป็นมงคลท่า น, น, นว่าเพราะว่าพุทธโสโลกะธรรมเมหิจิตรรตังยัตนกัมปติ จิตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์หรือว่าโลกธรรม ท, ทั้งหลายหรือว่าอารมณ์ทั้งหลายอยู่วะยังไงก็ได้จิตของผู้ใดไม่ใช่จิตของพระพุทธเจ้าจิตของบุคคลใดว่าะยังไงก็ได้จิตของผู้ใดมันมีแล้วจริงวะแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็แสดงว่าสิ่งนั้นไม่มี เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจแล้วเสียงนั้นแหละมันมีในคนทุกคนใช่ไจิตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำทั้งหลายคือเสียงสมเนี่ยเสียงนินทาว่าร้ายเราเราไม่ต้องยินดีเพราะเรารู้จักเหตุการณ์รู้จักสมมุติแท้ๆอันอันเรื่องรูปนามเป็นเพียงสมมุติแต่เรายังไม่เข้าใจสมมุติอันเป็นอย่างนั้นมันนี่ท่านาอะโสกัง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 เท hey, มังเป็นจิตอันกเกษคือจิตมีความสุขคําว่าสุกเกษเป็นจิตที่มีความสุขเป็นจิตที่มีอุเบกขาจะว่าอย่างไรก็ได้แหละมันเป็นเรื่องสมมุติเอาปรามาัดมาพูดมันก็ต้องยืนสมมุติขึ้นมาพูดทำอันนี้แหละทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียสมัยเอตมังคลรมุตตะมังเป็นธรรม สี่อย่างนี่เป็นอันมงคลเป็นมงคลอันสูงสุดมีเทวดาก็ได้คนก็ได้ใครก็ได้ทำได้ท่งนั้นดังนั้นพวกเรามาอบรมระยะสิบวันนี้ให้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สัมผัสแนบแนบเอากับสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าหากพวกเรารู้แล้วคนอื่นจะมาแย่งสิ่งออกไปไม่ได้นี่เราซับภายในอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาหลายครั้งเรามีตู้เซ็ มีเงินมีเพชรคนมาแยง่งสิ่งออกไปได้ตู้เย็นแล้วอาหารเข้าไปที่นั้นบางทีลืมปิดอาหารก็เสียได้ถ้าเรามีตู้เซตจริงๆแล้วมีคนแจ่ปิดไว้ไดีๆแล้วคนจะมาเอาไปก็ไม่ได้มีตู้เย็นดีๆใซ้ให้เป็นถ้าใส้เป็นแล้วก็ตู้เย็นเขามีค่ามีราคามีประโยชน์กับตัวเรา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 บางคนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนตายไปก็มีบางคนอายุเจ็ดสี่ปีแปดสปีไม่เคยรู้ชีวิตตัวเองไม่เคยเห็นจิตใจตัวเองและคุณค่าการเกิดเป็นคนนั้นน้อยที่สุดแทบจะไม่มีเสียเลยเพราะอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกไปไหนมาไหนก็ไปด้วยทุกแล้วจะมีประโยชน์อะไรคนพว่ น, นั้นแม้จะมีเงินจากหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะเอาไปนาไม่ได้อันนี้ ถึงจะมีน้อยก็ตามมีมากก็ตามมีได้มีเงินมีทองก็มีได้เพราะมันไม่ทุกไ้ให้เป็นมีเงินใไ้ไม่เป็นก็ไม่ได้ประโยชน์มีเงินใไ้เป็นก็มีประโยชน์มีข้าวทําพันุ์มันเอามากินเป็นประโยชน์ถ้ามีข้าวเอาไปทําพันุ์ไม่เป็นเอามากินไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ตลวงข้อนํามาเราให้ฟังดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมะระยะสิบวันเนี่ย อันนี้เป็นขั้นต้ น, เ ร, เ, นร เ, เรียกว่าเป็นปฐมมาเลิกหรือเป็นปฐมมาสารก็ได้ขั้นต่อไปเราก็ต้องพูดไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปยึงว่ามันมีเป็นสันเป็นสันเนี่ยปฐมสารทุติยสารตาติยสารจตุทสารปัญจมสารในตำราเขาพูดไปอีกอย่า ง, น, งนี่ควร ม, มมีควมเห็นควมเข้าใจควมสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นที่พวกเรา แม้ผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามปฏิบัติธรรมะต้องรู้อย่างนี้ที่หลวงพ่อรู้เแต่คนอื่นจะรู้ยังไงไม่รู้ที่มาที่นี่คันท้าต้องการอย่างนี้เขาต้องรู้อย่างนี้ถ้าผิดอย่างนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ธรรมะแท้ไนดะ้คือสิ่งเดียวกันดังนั้นหากเป็นคนแล้วต้องมีเหมือนกันทั้งหมดเลยถ้ามีคนจริงนะถ้าไม่จริงก็ปฏิบัติไม่จริงก็รู้ของไม่จริงเอาไปใส้ก็ไม่จริงแต่มันจริง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 แล้วก่อนรู้แจ้งเห็นจริงตามควรเป็นจริงรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกัจ ก, ก, จกอัสนะมันได้เนี่ยท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตคือที่ตรงนี้สัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนที่ตรงนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นที่ตรงนี้เพราะได้กระแสรพระนิพพานเดินไปหาพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เพราะรู้ทางไปแล้ว คนอื่นจะปิดบังไม่ได้เพราะเรารู้เนี่ยเราก็ต้องไปหา พ, พระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นอย่างไงถ้าเราจะไปหาพ่อเราแม่เราก็ตามเราก็ต้องไปหายถูกจริงๆเพราะเราเห็นพ่อเราเห็ น, หนแม่เราจริงๆยกมือไหว้ตัวเองเลยหนวพ่อเป็นอย่างนั้นจึงว่า น, น, น, น, panels, น้โมตระแต่เราขอนมนอ้นมตัวเองน้อมตัวเองไหว้ตัวเองเพราะตัวเองมีดีแล้วนไงอย่างนั้น ทีแรกไม่รู้จักตัวเองมีดีขนาดนี้เมื่อมารู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองทุกคนมีดีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าดังนั้นพุกธานุพุทางสามะศิริทิฏฐิพุัธาโลตามพระพุทธเจ้ามีศินและทิฏฐิเสมอกันเราคุณเพราะเราเห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ารู้เหมือนกันกันพบพระพุทธเจ้าและได้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้านี่หรือว่าปลดปล่อยได้เหมือนกันกันพบพระพุทธเจ้า มันก็ต้องรู้เห็นเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นคนละเรื่องกันละกาแสดงว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็เห็นแต่คนละเรื่องเท่านั้นเองนะที่ดวงพ่อนํามาเสนอหรือแนะนำวิธีปฏิบัติให้วันนี้ตอนเช้าในขณะนี้ก็ดื่อห้าพอดีแล้วก็เห็นว่าสมควรเจรเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยม มานั่งฟังธรรมะยุนสถานที่นี่อาตมาขออ้างมีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนขิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญลอยตามหรือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราแต่ทหกนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราแต่ทหกนี้ขอให้ทุกคนทุกคนจงได้พกประสบเห็นเอาระยะเวลาอันใกล้เด็คือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจเป็นปกติจะว่ายังไงพอได้จิตใจคล่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างไม่ใช่ตาเห็นนะ ใจมันเห็นได้ทุกอย่างขอให้ทุกคนทุกคนจงได้ประสบพบเห็นเอาในระยะเวลาอันไกลนี้จงทุกทุกคนเธิ